ถามการละเมิดกฎหมายคือการผิดศีลธรรมด้วยหรือไม่ครับตอบถ้าหากกฎหมายข้อนั้นๆยืนพื้นอยู่บนศีลธรรมก็เท่ากับละเมิดศีลธรรมด้วยครับแต่ถ้าหากกฎหมายข้อนั้นๆถูกกำหนดขึ้นตามใจชอบของผู้ปกครองซึ่งปราศจากความเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ขอยกตัวอย่างไกลๆตัวที่เด่นชัดผมเคยดูสารคดีหนึ่งนานมาแล้วยุบที่รัสเซียยังปกครองโดยเผด็จการเคยมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งคือใครโกงภาษีจะต้องถูกประหารด้วยการใช้ม้าลากแขนขาไปคนละทิศคนละทางดึงร่างให้ขาดจากกันต่อหน้าลูกเมียนี่อาจจะเป็นกฎหมายท้องถิ่นหรื อ, อยังไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือ ไม่ชอบด้วยศีลธรรมไม่ยืนพื้นอยู่บนการตัดสินด้วยความเมตตาปราณีคำหนึ่งแต่จะเชื่อคอไก่ให้ลิงดูท่าเดียวในทางตรงข้ามหล า, หลายประเทศแทบไม่มีบทลงโทษกับผู้เลี่ยงภาษีหรือหนีภาษีเอาเลยอย่างมากก็เรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือส่งจดหมายตามทวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่ผู้มีไรายได้มาก ก็เกือบๆจะไม่สนใจกันทีเดียวส่วนคนรวยที่โกงภาษีโทษสูงสุดเมื่อเรียกเก็บย้อนหลังแล้วไม่มีจ่ายอย่างมากก็แค่ฟ้องล้มละลายไม่มีการติดคุกเรียกได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีของหลายๆประเทศนั้นมีไว้เพื่อให้ประชาชนรักษาจิตสำนึกขั้นพื้นฐานกันมากกว่าจะเอาไว้ขู่เข็นค่าโทษจริงจัง นี่คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนว่าคุณทำอะไรอย่างหนึ่งในโลกมนุษย์นี้ไม่จำเป็นต้องเห็นผลทันตาด้วยการรับโทษทันหนักเบาเท่ากันแม้เอาตัวบทกฎหมายมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ตามมันขึ้นอยู่กับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนพื้นเพความเชื่อของคนท้องถิ่นเป็นอย่างไรแต่ในโลกความเป็นจริงซึ่งมีกฎแห่งกรรมวิบากควบคุมอยู่อย่างหนาแน่น การไม่เสียภาษีก็คือการสร้างนิสัยไร้สานึกรับผิดชอบและนั่นเท่ากับสร้างภพข้างหน้าให้ตนเองต้องไปอยู่ร่วมกับพวกไร้สานึกรับผิดชอบอยากทำอะไรก็ทำยิ่งหากคุณคิดโกงหรือหลบเลี่ยงเต็มๆก็นับว่าได้ก่ะกรรมประเภททุจริตหรือคิดแล้วก็เข้าข่ายลักกินขโมยกินได้เพราะถนนก็ดีไฟตามทางก็ดี จะมีขึ้นมาให้เราใช้ไม่ได้ถ้าปราศจากภาษีของประชาชนถ้าเราใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยไม่ร่วมกับคนอื่นลงขันออกเงินก็เท่ากับเอาของคนอื่นมาใช้เปล่าๆนั่นเองหากใจคุณรับรู้ความจริงข้อนี้แล้วยังขืนงอมืองอเท้าไม่เสียภาษีตามกฎหมายนั่นแหละจิตของโจรแบบอ่อนๆแล้วครับ กฎหมายบางข้อก็ทำให้ความรู้สึกเกี่ยวกับศีลธรรมพร่าเลือนไปเพราะมนุษย์จะออกกฎหมายด้วยความเห็นใจในขณะที่ธรรมชาติออกกฎแห่งกรรมวิบากขึ้นมาด้วยความเห็นจริงใครทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นหรือแนวแน ว, แนวนั้นเครงครัดเข้มงวดไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมไม่ปราณีปราศัยใดๆทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยการฆ่าคนนั้น จะดูเหตุบรรดาโทสะเป็นสำคัญถ้าไม่มีโทสะเลยแต่อยากไปฆ่าเขาเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวแถมวางแผนไตรตรองไว้ก่อนอย่างเลือดเย็นท่านี้ก็เรียกว่ามีความผิดอุกชกันหากหลักฐานชัดเจนและการพิจารณาคดีไม่มีใต้โต๊ะโอกาสจะรอดจากโทษหนักก็เป็นศูนย์แต่ถ้าเหตุบรรดาโทสะนั้น ดูสมควรให้เห็นใจกฎหมายก็จะปราณีลดหย่อนผ่อนโทษให้เช่นถ้าลงมือฆ่าเพราะเห็นพัญญากำลังมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นกับตาอย่างที่เรียกว่าจับได้คาหนางังคาเขากฎหมายจะผ่อนปรนให้ชนิดแทบไม่เอาโทษกันเพราะถือว่าเป็นการบันดาลโทสะอย่างรุนแรงตามวิสัยธรรมชาติหรืออีกนายหนึ่งเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นชาย การผนปรนทำนองเนี้ยอาจก่อความเข้าใจผิดว่าการฆ่าคนหรือการทำร้ายคนด้วยแรงบันดาลโทสะนั้นเป็นสิ่งชอบธรรมแต่กฎแห่งกรรมวิบากจะไม่มองอย่างนั้นธรรมชาติเขาพิพากษาว่าถ้าไม่ฝึกสติให้ดีมีโทสะแล้วลงมือทันทีโดยไม่คิดหน้าคิดหลังอันนั้นแหละบาปกรรมอันใหญ่หลวง เพราะเมื่อคุณก่อบาปขณะจิตมีโทสะแรงกล้าขณะนั้นจิตจะไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วดีไม่มีทางรู้สึกว่ากรรมที่ทำนั้นเป็นบาปจิตจึงกอดรัดบาปไว้เต็มเต็มเหมือนที่พระพุทธองค์เปรียบกับคนไม่รู้ว่าฐานร้อนก็จับเข้าไปเต็มกรรมแล้วได้ผลเป็นความทุกข์ทรมานสาหัสเต็มที่แตกต่างจากคนที่เขารู้อยู่ล่วงหน้าว่าฐานร้อน พอถูกบังคับให้จับก็จับแบบหลวมๆแยงๆไม่เต็มไม้เต็มมือความเจ็บปวดและพื้นที่มือที่ไม่เกรียมจึงน้อยลงฉะนั้นถ้าอยากดูความยุติธรรมขนาดแท้คุณต้องหัดดูให้ลึกเข้าไปถึงกลไกาการทำงานของจิตตัวเองว่าตั้งใจอย่างไรเอาชนะกิเลสได้แค่ไหนนั่นแหละครับเกมกา ร, รมที่พวกเรากาลังเล่นกันอยู่ อย่างไม่ค่อยจะรู้อิโนอินเนและพยายามเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากมนุษย์ผู้ไม่รู้อิโนอินเน่ด้วยกันลองดูกฎหมายสําหรับเยาวชนที่ผ่อนปรนให้เด็กด้วยมุมมองที่ว่าเด็กยังไร้สำนึกคิดอ่านผิดชอบชั่วดีอันนั้นว่ากันโดยรวมก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่เป็นสากล เพราะเด็กอายุต่ำกว่าสิบขวบบางคนนั้นคิดได้พอๆกับผู้ใหญ่แล้วหรือเด็กสิบกว่าขวบบางคนเยี่ยมเกรียมยิ่งกว่าฆาตกรโรคจิตเสียอีกกรณีทํานองนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าไว้คือในอดีตชาติท่านเป็นเด็กเล็กเล่นซุกซนอยู่กลางทางเผอิญเห็นสมณะผ่านมาก็นึกสนุกจุดไฟล้อมท่านเสอย่างนั้น แต่นับเป็นด้วยคราวเคราะห์หนักที่สมณะนั้นเป็นถึงพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้หลุดพ้นกิเลสอย่างเด็ดขาดด้วยตนเองบาปกรรมที่ทำก็ให้ผลยืดเยื้อยาวนานธรรมชาติไม่สนใจว่าขณะก่อบาปเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แม้กระทั่งชาติสุดท้ายซึ่งมาสำเร็จธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนจ้างในขมังธนูให้มาดักปลงพระชน คือกรรมให้ผลล้อกันกับที่เคยจุดไฟล้อมหรือแม้กรรมที่เบาวกว่านั้นเช่นครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็นเด็กลูกชาวประมงเพียงเห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสชาติสุดท้ายพระองค์ท่านยังต้องเสวยวิบากด้วยการปวดพระเศียรเพราะจิตที่จับเอาส่วนของบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปแถมมีความยินดี อิ่มอกอิ่มใจในบาปซึ่งก็คือการกอดบาปเข้าไปเต็มๆไม่แบ่งแยกว่าเป็นจิตของเด็กหรือผู้ใหญ่ตรงนี้ถือโอกาสขอให้ผู้เข้าใจว่ากรรมฐานแก้กรรมได้โปรดทําความเข้าใจสมัยนะครับกรรมฐานอาจเลื่อนเวลาให้ผลกรรมดำได้เพราะมีกรรมขาวมาแทรกแซงแต่ไม่ใช่ลบล้างกันเหมือนเอายางลบลบรอยดินสอ กรรมดาอาจเข้าคิวให้ผลอยู่สุดกูแต่ถ้าศพช่องเมื่อไหร่ก็ให้ผลจนได้ไม่มีกฎหมายประเทศไหนในโลกห้ามคุณพูดเล่นโกหกตลกขนองกับคนใกล้ชิดคุณจะมีความผิดตามกฎหมายต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ชัดว่าคุณหลอกให้ใครไปตายหรือล่อลวงช่อชนให้คนเสียทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด ให้เขาคิดว่าจะได้อย่างหนึ่งกลับได้อีกอย่างหรือไม่ได้เลยเป็นต้นตามระบินเมืองถ้าคุณก่อคดีช่อชนครั้งใหญ่หนเดียวเราถูกจับได้จำนวนด้วยหลักฐานและพยานคุณอาจต้องติดคุกหัวโตในขณะที่คุณสามารถกุเรื่องแบบปั้นน้ำเป็นตัวเอาสนุกได้ทั้งชีวิตโดยไม่มีใครมาฟ้องร้องเอาผิดกับคุณเลย เพราว่าด้วยกฎแห่งกรรมวิบากธรรมชาติเขาจะดูรายละเอียดเพื่อลงโทษอย่างสาสมไปอีกแบบเช่นถ้าคดีใหญ่ที่คุณชอบชนนั้นยืนพื้นอยู่บนความจำใจอยากเอาเงินมารักษาบิดามารดาไม่ได้ทำไปโดยสันดานไม่ได้ทำไปเพราะโลภจะเอาเปรียบคนอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ทำโดยกะยึดเป็นอาชีพ ธรรมชาติอาจให้คุณชดใช้กรรมในคุกแล้วจบหากคุณสำนึกผิดแล้วก็แล้วกันหรืออาจมีของแถมเป็นการโดนช่อชนกลับบ้างนิดหน่อยสุดแท้แต่ว่าการช่อชนของคุณไปทำให้คนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแต่คนชอบกุเรื่องแบบปั้นน้ำเป็นตัวนั้นต่อให้ไม่ทำใครเดือดร้อนแค่หมั่นทำเป็นนิดก็อาจเจอโทษหนักจากกฎแห่งกรรมวิบาก คือธรรมชาติเขาจะส่งคุณไปขังไว้ในภพของการหลอกลวงจิตใจคุณจะมัวมนพลาเหลือนรับรู้ความจริงยากหัวอ่อนถูกหลอกง่ายแล้วก็จะมีคนชอบมาหลอกคุณตั้งแต่เด็กๆซึ่งผมพิจารณาว่าโดนลงโทษแบบนั้นน่าจะหนักเสียกว่าอยู่ในห้องกลงของทันทศฐานลหลายปีเสียอีกลองคิดดูว่าถ้าต้องอยู่ในโลกที่ไม่น่าไว้ใจไปทั้งชีวิต นี่มันทรมานใจกันขนาดไหนแลไปรอบหาคนเชื่อไม่ได้สักคนคุณจะเห็นแต่โลกในแง่ร้ายและไม่มีแก่ใจทำความดีหรือพูดตรงไปตรงมานั่นแหละครับบ่อกเกิดของความชั่วร้ายเป็นขบวนต่อเนื่องไม่รู้จบผลกรรมของการชอบโกหกเรื่อยเจื่อยนั้นใกล้ตัวที่สุดคือจิตที่ผิดปกติ มองเห็นอะไรตามจริงยากซึ่งความมัวมวลผิดปกติของจิตนั้นจะทำตัวเป็นคลื่นรบกวนกระทบให้คนอื่นรู้สึกไม่อยากไว้วางใจคุณพูดอะไรดูไร้น้ำหนักไม่น่าเชื่อถือไปหมดกฎหมายบ้านเมืองใช้เทคโนโลยีไหนๆมาลงโทษคุณในรูปแบบนี้ไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมเขาทำได้ครับพูดง่ายๆว่าจิตคุณเองนั่นแหละเล่นงานตัวเองแทนกฎหมาย ขอให้สังเกต ด, ด้วยว่าถ้าคนทั่วไปเห็นชอบสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ถือว่าผิดเช่นสุรายาเมาใครๆก็ดื่มได้กินได้เพียงมีกฎคุมไว้แบบสร้างเงื่อนไขในการผลิตและบริโภคไว้นิดหน่อยเช่นห้ามต้มเล่าเถื่อนห้ามมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินประมาณที่กำหนดขณะขับรถเป็นต้นสรุปคือกฎหมายบอกว่าการดื่มเหล้าไม่ผิด เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ศึกษาธรรมะให้เข้าใจก็จะนึกว่าไม่เป็นไรดื่มเท่าไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่ไม่เมาอารวาดไม่ดื่มมากเกินไปในขณะจำเป็นต้องขับรถแต่ข้อเท็จริงคือธรรมชาติเขาไม่สนใจว่าคุณถือตามกฎหมายข้อไหนเขาจัดกฎเหล็กไว้เลยว่าถ้าคุณดื่มจนสติพร่าเลือนบ่อยๆแล้วก็วันหนึ่ง คุณจะมีสติไม่สมประกอบอาจเร็วทันตาเห็นในชาตินี้หรือไปมีผลชัดเจนในชาติหน้าที่แน่ๆคือทุกวันนี้มีคนตายเพราะเป็นพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ก็เกิดโรคที่เป็นผลข้างเคียงจากการดื่มสุรามากแต่คนอยู่ข้างหลังก็ไม่สะทกสถานยังคงเดินหน้าสแสวงหาน้ำนรกมารินลงคอกันต่อไปป่วยกล่าวไปใหญ่ ถึงการคิดถึงผลกรรมจากการร่ำสุรายาเมาที่ยังไม่แจ้งชัดในอนาคตเล่าจะควบคุมมโนสำนึกไม่ให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่กลัวเกรงโทษภัยใดๆและปักใจเชื่อว่าดื่มได้ไม่มีปัญหาไม่มีวิบากกรรมใดๆรอเล่นงานอยู่อย่างแน่นอน